เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากม่ยากเลยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมนักตกรคนชอบเล่าวันนี้จะขอหยิบยกในทานพื้นบ้านภาคใต้มาเล่าให้ฟังกันนะครับเรื่องราวมีอยู่ว่าเมื่อนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งชอบกินเหล้าเป็นชีวิตติดใจมากงานการก็ไม่เคยทา การนำพาเรื่องบุญกุศลก็ไม่เคยทำแต่การทำบาปตัวแกเองก็ไม่เคยทำเหมือนกันครอบครัวของแกมีอยู่ด้วยกันสมคนคือตัวแกเองพร้อมด้วยเมียและลูกอีกหนึ่งคนชายคนที่ชอบคิดเล่าผู้นี้คิดอยู่เสมอว่าก่อนที่แกจะตายลงไปนั้นน่ะขอให้ได้บวชลูกชายซะก่อนเพราะแกอยากเห็นชายผ้าเหลืองของลูกชายมากก็เฝ้าภาวนาว่า อย่างน้นยังไงก็อยากจะมีอายุยืนถึงตอนนั้นแต่เพราะว่าแกเป็นคนที่กินเหล้าเป็นนิดเป็นชีวิตจิตใจร่างกายจะไม่แข็งแรงอยู่มาไม่นานก่อนลูกชายจะบวชประมาณสักเดือนหนึ่งแกก็ได้ตายลงซะ ก, ก่อนอ น, นาจจริงๆขณะนั้นอายุของแกได้ประมาณ50ปีพอดีก่อนที่แกจะตายนั้นแกก็ยังสั่งเสียกับลูกเมียว่าเอาเหล้าอะใส่โงไปด้วยสักสองสามขวดนะ เผื่อหิวเหล่าขึ้นมาจะได้กินในปณโลกอะ่ะชอบอะ่ะแบบว่าชอบจริงๆเมียและลูกมองหน้ากันต่างก็ใสยหน้าแต่ก็ไหนๆก็เป็นคําขอร้องของคนที่จะตายแล้วจึงได้จัดให้ตามคําขอเมื่อชายคนนด้ได้ตายลงวิญญาณจึงได้มุ่งตรงสู่นร ก, กภูมิและวมาถึงยมบาลโลกพบกับท่านยมบาลยมบาลก็ถามว่าทำไมเจ้าถึงชอบกินเหล้านักละ่ะ เหล่านั้นมันอ ร, อร่อยมากหรือไรแกก็ตอบไปว่าอันเล่านั้นน่ะถ้าใครได้กินไปแล้วมันก็จะบอกไม่ถูกพะยะค่ะรสชาติมันมันไม่รู้จะพัฒ น, นา ย, ยัางไงต้องลองชิมเองอ่ะต้องลองชิมเองเพะยะค่ะกระหม่อมไม่กล้าบอกหรอกของอย่างนี้มันต้องลองเองลองเองเมื่อท่านอยมาบานได้ยินจะพูดว่า ในเมืองในโลกของเราก็ไม่มีไม่อย่างนั้นเราเองก็จะได้ลองชิมดูเหมือนกันว่ามันจะเล็ดอร่อยยังไงทําไมพวกมนุษย์ถึงได้ชอบกินมากนักทั้งๆ ท, ที่กินแล้วมันจะขาดสติชายผู้นั้นได้ยินก็บอกว่าโอ้ท่านไม่ต้องห่วงท่านไม่ต้องห่วงกระหม่อมได้นําลงมาด้วยเมียและลูกเนี่ยเอาใส่มาด้วยเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ2ขวดนะ่ะจะให้ลองดูท่านสนใจไหมพะยะค่ะเมื่อท่านย ม, มาบาลได้ฟังท่านย ม, มาบาลยังบอกว่า ไหนเอาลองมาชิมดูสักหน่อยสิและเมื่อชิมเข้าไปโย ม, มาบาลก็ชักจะติดใจในรสชาติของมันรู้สึกเพลิดเพลินบรรยากาศในนรกทำไมมันดีอย่างนี้มันเพลิดเพลินดูอะไรก็เจริญหูเจริญตาไปหมดหายเครียดไปได้สักระยะกินไปจนเหล้าหมดขวดขนาดนั้นท่านย ม, มาบาลก็เมาแล้วคิดดูนะครับเหล้าเนี่ยมันแน่จริงๆมันทาให้ทุกคนที่ดื่มเมาได้ตลอด ไม่เลือกชั้นวันนะแม้แต่ท่านยมบาลเนื่องจากท่านยมบาลไม่เคยดื่มเหล้ามาก่อนคออ่อนอยู่นั่นเองตามภาษาของชาวโลกต่อมายมบาลก็ได้ชอบพอกับชายคนนั้นถึงกับสัญญาเป็นเพื่อนเกลอกันแล้วก็บอกชายคนนั้นว่าถ้าแกต้องการอะไรขอผ่อนปนอะไรแล้วก็ขอให้บอกมาอย่างเราเถิดเราจะช่วยเหลือชายคนนั้นจึงบอกยมบานว่าในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยทบุญอะไรเลย ก็อยากแค่ว่าจะได้เห็นชายผาเหลืองของดูกชายสักครั้งพะ่อค่ะข้าพเจ้าขอมีอายุต่ออีกสักปีหนึ่งลูกชายของข้าพเจ้าก็จะบวชอยู่แล้วเนี่ยและด้วยความที่ท่านเอนดูชายคนนั้นเป็นพิเศษเมื่อเพื่อนขอมาอย่างนั้นก็จัดให้ท่านยมบาลจะบอกว่าได้ได้เราจะต่ออายุให้เจ้าเองเอาละ่ะสุวรรณเอาบัญชีมาเมื่อท่านสุวรรณได้เอาบัญชีให้โยมบาลแล้วท่านยมบาล จึงเพิ่มอายุหนึ่งปีให้เขาโดยเขียนเลขหนึ่งต่อจากเลข50ซึ่งเป็นอยายุไขของเขาตอนที่ชายคนนั้นเสียชีวิตแต่ด้วยความที่มึนเมาของโยมบาลจึงลืมลบเลข0ูนย์ออกไปมันจึงกลายเป็นว่าชายคนนั้นในบัญชีมีอายุถึง501ปีเมื่อท่านยมบาลต่ อ, อยุ้ยให้เขาแล้วชายขี้มาพวกนั้นก็ได้กลับฟื้นมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วลูกและเมียก็ดีใจมาก จัดการปรุมพยาบาลจนแกแข็งแรงขึ้ น, นเรื่อยๆมาถึงกำหนดบวชของลูกชายแกก็ได้ไปร่วมงานบวชของลูกชายได้เห็นชายพเพื่อเลืองตามความตั้งใจของแกแล้วแกก็รอวันตายของแกโดยความปิติยินดีว่าอืมไหนบอกว่าเล่าไม่ดีเป็นเพราะเล่าเนี่ยแหละที่ทำให้เราฟื้นมาบวชลูกชายได้แม่ไม่เสียดายเลยที่ชอบกินมันอยู่ไปอยู่มาจนกระทั่ง เมียและลูกหลานเลนหล น, หลนของแกได้ตายกันไปหมดแล้วทุกคนแต่แกก็ยังอยู่และยังไม่ตายด้วยแกไม่รู้ว่าท่านโย ม, มาบาล น, นั้นได้เพิ่มเลขหนึ่งไปที่หลังเลขศูนย์ของเลข50ของแกแกก็ได้แต่รอวันตายรอวันตายหลายรุ่นหลายรุ่นแกก็ยังไม่ตายสักทีมีชีวิตอยู่แบบทรมานมากกินเหล้าก็จนจะกินไม่ไหวกินจนเบื่อที่จะกินแกก็ยังไม่ตาย แกก็ได้ใช้ชีวิตของแกอยู่ด้วยความทรมานเหงาเดียวดายด้วยการที่แกต้องทนเห็นคนที่แกรักตายไปแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นจบจนอายุไขของแกหมดไป500กับ1ปีนิทานก็จบเพียงเท่านี้ครับเห็นไหมละครับว่าเล่าเนี่ยมันแน่จริงๆแต่คำว่าแน่ของมันเนี่ยคือมันไม่เคยทำให้อะไรสมบูรณ์ได้สักอย่างเลยสติครับ โดยธรรมชาติของมนุษย์เราแล้ ว, ลวไม่แปลกครับที่ใครหลายคนจะทำอะไรผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งๆ ท, ที่ยังมีสติอยู่แต่ท่านลองคิดดูครับเมื่อมีเหล้าแล้วอะยากมากครับที่จะประคองสติไปได้แล้ววันนี้ก็ขอจบนิทานพื้นบ้านภาคใต้ลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ